อีกสูตรหนึ่งนะครับเวปุลปัปพตาสูตรนะครับสูตรว่าด้วยภูเขาเวปุละบรรพศนะครับครับ <c oughs> ว่าด้วยกองกระดูกโตเท่าภูเขาก็ล่วงทุกข์ไม่ได้นะครับจึงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อบุคคลหนึ่งเล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดกลับ ร่างกระดูกหมู่กระดูกกองกระดูกพึงก่อเป็นกองใหญ่เหมือนภูเขาเวปุระบรรทุนนี้ถ้าว่าใครๆจะพึงรวบรวมไปกองไว้และถ้าว่าส่วนแห่งกระดูกอันใครๆนำไปแล้วไม่พึงชิบหายไปนะครับก็หมายความว่าตายแล้วกันนะเอาชาติที่เกิดเป็นเทวดาที่ที่ศบหายเลยเป็นต้นไหมเอาเอาเฉพาะที่ว่า ตายเกิดเป็นคนเกิดเป็นช้างเป็นวัวเนี่ยนะครับแล้วก็กองซากไว้ตายแล้วกองตายทิ้งแล้วกองทิ้งและกองทิ้งแล้วกอ ง, ง, กองเนี่ยนะก็บอกว่าโหมันจะโตกว่าเขาเวปุระบรรพจนี้อีกนะครับเอาเฉพาะเรีย ก, กว่าโครงกระดูกกนะันนะยันนะกองกระดูกเหมือนันเถอะหมูกระดูกร่างกระดูกเนี่ยนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ตรัสไว้ดังนี้ว่ากองแห่งกระดูกของบุคคลคนหนึ่งพึงเป็นกองเสมอด้วยภูเขาโดยกับหนึ่งนะครับว่ากับเดียวเนี่ยนะร่างกองกระดูกเนี่ยกองใหญ่กว่าภูเขา่างนั้น ก็ภูเขาใหญ่ชื่อว่าเวปุละบันพจนนี้นั่นแหลอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกแล้วสูงยิ่งกว่าภูเขาคิจกูดนะครับภูเขาคิจกูดเนี่ยเดินขึ้นเป็นกิโลนะครับใกล้พระนครราชเกลือของชาวมาคตนะครับเมื่อใดบุคคลย่อมพิจารณาเห็นอริยสัจคือทุกขธรรมะเป็นเหตุเกิดแห่งทุกขธรรมะเป็นที่ก้าวล่วงแห่งทุกขอริยมัตมีองค์8 อันให้ถึงความสงบแห่งทุกข์หนึ่งนะครับด้วยปัญญาอันชอบคือถ้าบุคคลที่มีปัญญาเห็นอริยสัจเนี่ยนะครับเมื่อนั้นบุคคลนั้นท่องเที่ยวไปแล้วเจดครั้งเป็นอย่างยิ่งนะคือถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยน ะ, ะกระดูกแค่เจ็ดโครงกระดูกเท่านั้นแหละว่างั้นเป็นผู้กระทําซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปนะครับน ะ, ะว่าปฏิบัติตามนี้ได้นะคือเห็นอริยสัจอย่างที่ว่าไป ตรงนี้นี่นะครับในสูตรนี้อัตถกถาอธิบายคําว่าเมื่อบุคคลเนี่ยนะครับเน้นขยายคําว่าบุคคลนะครับปุคละปุคละเนี่ยนะเพราะว่าบุคคลนี้ก็คือผู้ที่เป็นไปตามยะถากรรมใช่ไหมครับคือผู้ที่เป็นไปตามกรรมนั่นเองนะครับบุคคลเนี่ยนะครับเป็นโวหารกรถาคือเป็นบัญญัตินะเป็นสมมุติสัจจานะ แล้ววิธีการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมี2 อ, อย่างนะเทศนาของพระผู้มีพระภาคมีสองอย่างคือสมมุติเทศนาคาว่าสมมุติกับโวหารเนี่ยหรือบัญญัติไม่ต่างกันนะครับคําว่าโวหารก็ดีสมมุติก็ดีบัญญัติก็ดีไม่ต่างกันและประมาถเทศนาในเทศนาสองอย่างนั้นสมมุติเทศนามีอย่างนี้คือนะครับสูตรใดที่พระองค์พูดเป็นสมมุติเช่นบุคคลกษัตริย์ หญิงชายนะครับกษัตริย์พราหมณ์เทวดาหรือมารเป็นต้นเนี่ยนะผู้คําพูดเหล่านี้เป็นสมมุติกถาหรือโวหารกถานะครับส่วนปรมัถเทศนามีอย่างนี้คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะครับหรือว่าขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นหรือว่าสติปัฏฐาน4เป็นต้นเนี่ยนะครับลักษณะนี้เป็นปรมัทเทศนานะครับพระพุทธเจ้า น, นี้แสดงทั้งสองอย่างเลยนะ ในเทศนาสองอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสมมุติเทศนาแก่บุคคลผู้ฟังเทศนาโดยสมมุติแล้วสามารถบรรลุคุณวิเศษได้นะครับคือแล้วถ้าใช้ศัพท์ไหนแล้วคนบรรลุทําได้พระองค์ก็ใช้ศัพท์นั้นไปทรงแสดงประมาทเทศนาแก่บุคคลผู้ฟังเทศนาโดยประมาทแล้วสามารถบรรลุคุณวิเศษได้นะครับคือหมายก็ว่าถ้าฟังแบบประมาทนะ ฟังขันท่าหรือยตะนาแล้วเขาจะบรรลุทำได้พระองค์ก็แสดงแบบนั้นถ้าจะแสดงควบคู่สลับกันแล้วบรรลุได้พระองค์ก็แสดงสลับอีกนะครับพึงทราบอุปมาในข้อนั้นดังต่อไปนี้เหมือนอย่างว่าอาจารย์ผู้ฉลาดในภาษาท้องถิ่นพันนาความแห่งพระเวทสามคืออาจารย์ที่สอนไตรเพศ น, น, นะบอกด้วยภาษาเทมินแก่ผู้ที่เมื่อเขาสอนด้วยภาษาเทมินแล้วกว็รู้ความ บอกด้วยภาษาแกผู้ที่รู้ด้วยภาษาใบ้เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งฉันใดคืออาจารย์เนี่ยฉลาดหลายภาษามา ก, ก น, นะลูกศิษย์จะเข้าใจเพราะใช้คำไหนก็ก็ใช้คำนั้นแหละบอกไปมานบทั้งหลายเหล่านั้นอาศัยอาจารย์ผู้ฉลาดเฉียบแหลมย่อมเรียนศิลปะได้รวดเร็วฉันนั้นในข้อนั้นเพิ่งทราบว่าพระพุทธเจ้าผู้มีพระภาคหลุดอาจารย์พระไตยปิดกอันตั้งอยู่ในภาวะที่ควรบอกดุดตรเพศ ความเป็นผู้ฉลาดในสมมุติและประมัตดดุดความเป็นผู้ฉลาดในภาษาท้องถิ่นของอาจารย์นะะเวนยสัตร์ผู้สามารถแทงตลอดด้วยสมมุติและประมัตดดุดมานบผู้รู้ภาษาท้องถิ่นต่างๆการแสดงด้วยสมมุติและประมัดของพระผู้มีพระภาคเจ้าดุดการบอกด้วยภาษาเทมินเป็นต้นของอาจารย์นะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เป็นลักษณะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านะครับ ไม่ใช่ปรมัตตพุตตะพือ น, นะครับหรือก็ไม่ใช่บัญญัติตะพืชก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะรู้ว่าเออแสดงยังไงแล้วผู้ฟังสามารถบรรลุคุณวิเศษได้นะครับละโมหะได้บรรลุคุณวิเศษได้นะครับแล้ววิธีอธิบายแบบนี้ไม่ใช่มีเฉพาะในที่นี้ที่เดียวนะครับแม้กระทั่งในอังคุตรนิกายเอกานิบาตบุคคลบาลีในเล่มสามสิบสองหน้าหนึ่งรอยแปดสิบสีก็อธิบายไว้อีกนะครับในแบบเดียวกันเป๊ะเลย หรือแม้กระทั่งในดีกาสา ร, ounded, robi, Studies, รัตท pues, ีปนีดีกาพระวินัยนะครับเล่มหนึ่งนะก็ขยายยังงี้อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยติดสมมติติดเทสนาก็ไม่สิ่งที่ไม่ควรรังเกียจอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากว่าฟังแล้วเข้าใจนะก็ไม่ใช่ขับเน้นปรมัตจนโหเหนื่อยล้าเลยนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าผู้บอกทั้งหลายนะครับ คือในบรรดาผู้ที่บอกเนี่ยนะแนะนำคนอื่นเนี่ยนะไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแลว้วเหมือนนได้ทรงบอกสัจจะสองอย่างคือสมมุติสัจจะและประมาถสัจจะไม่ได้บอกสัจจะที่สอันเป็นคําสั์ที่กําหนดกันะนะคือไม่ได้บอกสัจจะที่สมอันเป็นคําสัจจะที่กําหนดกันเอาเองเป็นสมมุติกันในโลกนะครับคำอันเป็นปรมัตถสัจจะมีลักษณะเป็นของแท้แห่งธรรมะทั้งหลาย คือเขาบอกว่าสมมติสัจจะนี่นะก็จริงแท้ก็จริงแบบรับรู้แบบโลกโลกนะครับก็จริงใครว่าไม่จริงหญิงชายเนี่ยนะครับกฎหมายหรือคําว่าบ้านคําว่าเมืองทั้งหลายแหล่ที่ใครจะว่าไม่จริงก็จริงแต่ก็จริงแบบโลกโลกไปครับจริงแบบสมมุติส่วนคําอันเป็นปรมัตทสัจจะมีลักษณะเป็นของแท้แห่งธรรมะทั้งหลายนะเช่นขันธะยตะนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโวหารของภาษาสดาผู้เป็นที่พึ่งของโลก ผู้ฉลาดในโวหารทรงกล่าวสมมุติสัจจะว่าเป็นอริยะโวหารแหลนะพระ อ, องค์ถึงจะใช้ทั้งสมมติสัจจะหรือปรมัทิตยสัจจะก็ตามในการแสดงคำก็เรียกว่าอาริยะโวหารอยู่ดีนะครับเพราะเป็นคําที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความความสุขโดยถ่ายเดียวนะครับในการใช้คําของพระ อ, องค์หรืออีกเหตุผลหนึ่งนะครับในการที่พระ อ, องค์ตรัสบุคลาคตาหรือสมมุติกถาเนี่ยนะฮะ ตรงนี้ให้เหตุผลชัดเจนมากนะครับที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบุคลาคถาหรือบุคคลกถาด้วยเหตุ8ประการคือ1เพื่อแสดงถึงหิเรและโอตปะ 2. เพื่อแสดงความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน 3. เพื่อแสดงความเพียรเครื่องกระทําแห่งบุรุษเฉพาะตน 4. นะครับเพื่อแสดงอนันตริยกรรม5เพื่อแสดงพรหมวิหารธรรม6 เพื่อแสดงปุเพนิวาสานุสติยานเจ็เพื่อแสดงทักษิณวิสุทธิแปดเพื่อไม่ละโลกสมมุตินะครับแล้วก็เมื่อกล่าวว่าขันท่าอริยตนะหน้ารังเกียจหน้ากลัวดังนี้มหาชนย่อมไม่รู้ย่อมถึงความลุ่มหลงกลายเป็นประปักว่านี่อะไรกันขันท่าอริยตนะชื่อว่าหน้ารังเกียจหน้ากลัวดังนี้แต่บอกว่า เมื่อหญิงชายกษัตริย์พราหมณ์รังเกียจอยู่กลัวอยู่เนี่ยนะครับมหาชนก็ย่อมรู้ความหมายย่อมไม่ลุ่มหลงหรือไม่กลายเป็นประปักเนี่ยนะครับคือฟังแล้วเข้าใจเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกว่าโอโ้โหขันท่าเจตนาเนี่ยมีฮิริโอตะปะหรือว่ากําลังเกิดฮิริโอตปะปาอยู่นะฟังแล้วมันเข้าใจยากเหลือเกิน แต่ถ้าบอกว่าพระอนุนเนี่ยเป็นผู้ที่มีหิริโอตปะอย่างนี้ฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมครับขันธาตุอายตนะอันนั้นเนี่ยมีหิริโอตปะนะหรือว่าภิกษุรูปนั้นเนี่ยมีศีลมีหิริโอตปะในฟังงนี้เข้าใจแต่ว่าโอ้โหขันธาตุอายตนะนั้นนะหิริโอตปะแรงกล้ามากฟังแล้ววุ่นวายไปหมดเลยนะมันจะทะเลาะกันให้ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องใช้สมมุติเพื่อที่จะได้เข้าใจความหมายอย่างนีน้พอพูดตัวสมมุติแล้วก็ชัดเจนนะครับแล้วก็จะต้องไม่ทะเลาะกับใครๆด้วย เหตุผลที่สองบอกว่าเมื่อกล่าวว่าขันกรร ม, มสกตาธาตุอายตนะก็มีนัยยะเหมือนกันคือหมายเขาว่าขันเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนนะอายตนะก็มีกรรมเป็นของขอ ง, ของตนธาตุก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดเนี่ยนะโอ้ยฟังแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยแต่บอกว่าตรัสว่าตรัสเป็นบุคลาคถาว่า ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะบอกว่าสัตว์เนี่ยนะมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเนี่ยนะหมายความว่าตัวคุณนี่แหละนายกรเนี่ยมีกรรมเป็นของนายกนะกรรมให้ผลเนี่ยนะมาจากผลของกรรมเป็นตนเนี่ยฟังแล้วเข้าใจเลยใช่แต่ถ้าขันอายตนะนี่โอฟังแลว้ววนวายใจผมถือกวดกาวมาขวดนึงเนี่ยจะถือว่านี่เป็นขันาธาตุอายตนะได้ไหม ก็ถ้าจะโดยสภาวะก็โดยปรัมัติกถาก็เป็นขันนะครับก็ยุ่งยากไปหมดใช่ไหมครั บ, รบว่ า, วาอาวินินโพค ร, รูป8ด<แ>นั่นนะขันธาตุอายตนะเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้ไหมค ร, ครับมีชีวิตก็ได้ไม่มีชีวิตก็ได้<ม>หรือว่ า, อาถ้าจะว่าไปก็อวินิโพค ร, รูปแปตรูปประขันนะเนี่ยเป็นรูปายตนะเป็น กลิ่นก็เป็นคันทายตระนารสก็เป็นรักษาตระนาจับก็เป็นโพธพายตระนาเนี่ยเป็นรูปประธาตนะเป็นคันธาติเป็นถชิมเป็นรัษาธาตุนะครับเป็นโพธพธาตุนะมันมีพิษอยู่ในนั้นนะเป็นธรรมธาตุเป็นต้นเนี่ยโอ้ฟังแล้ววุ่นวายใจไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าคุยอะไรกันเนี่ยกาวลาแทกกระป๋องเดียวนี่ถ้าเรียกว่าสมมติอกาวลาแทกเนี่ยจะเอาไปทาเนี่ยเข้าใจเลยนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมาย แต่ว่าเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสแล้วก็ไม่ให้มันขัดกับโลกโลกนะครับมันก็ไม่ได้ปรมามัดไปหมดเลยนะเอาสภาวะที่แข็งมาให้หน่อยสิเดี๋ยวขอการครับนะเดี๋ยวไม่เน้นก็อาจจะเข้าใจว่าต้นไม้ก็ทํำบาปได้อย่างเงี้ยเนีเพราะว่าเพราะว่าถ้าหากว่าบอกว่ารูปสร้างบาปแล้วรูปทํำกรรมแล้วเดี๋ยวก็บอกว่าต้นไม้มันล้มทับมาใส่หัวคนโอ้ต้นไม้มันบาปใหญ่แล ครับเพราะว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับเพราะมันเหมือนกันหมดนี่ครับเพราะมขันธาตาุอจตนะไปหมดเลยนะทั้งก็ต้องแยกแยะส่วนนี้ให้ได้นะหรือแม้เมื่อกล่าวว่ามหาวิหารเวลวันเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะครับสร้างขึ้นด้วยขันธาตาุอยตนะก็มีในเหมือนกันบอกเออเนี่ยนะเชตวันเนี่ยขันธาตุอยตนะมีศรัทธาสร้างขึ้นอืมบุพพารามนี่ก็ขันธาตุอยตนะมีศรัทธาสร้างขึ้นะ แต่บอกโอ้เชตาวันเนี่ยวัดของอนาถาปินฑิกะเศรษฐีนะครับเวลวันนี่ของพระเจ้าพิมพิสารปุปผารามของนางวิสาขาฟังและรู้ความเลยนะครับเข้าใจทันทีเลยไม่ต้องไปซักไซ้อะไรมากมายเออขันขันแบบไหนรูปขันอันนั้นเป็นยังไงมีสีเป็นยังไงนะนั่งวิจัยขันกันใหญ่เลยนะครับลกลับแทนที่จะรู้เรื่องกันก็กลับปัญหามากมายเข้าไปอีกมันภาษาปรมัตก็ไม่ได้ว่าจะไปคุยดะกลาดเกลื่อนไปหมดก็ไม่ใช่นะครับ อันโดยเฉพาะในพระวินัยบัญญัติหรือพระสูตรเนี่ยก็ไม่ได้ใช้มากมายนะครับใช้ตามสมควรนะครับก็เพราะจุดมุ่งหมายของการใช้คําเหล่านี้ก็เพื่อลักกิเลสทั้งหลายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้คําไหนแล้วลักิเลสได้พระองค์ก็ใช้หมดนั่นแหละแม้เมื่อกล่าวว่าขันทั้งหลายฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันตธาตุอายตนะทั้งหลายกระทาโลหิตุบาทโอ้ถ้าทำสังกเพศนี่ก็ไม่นายนี้เหมือน ก, น, มนกันมันก็วุ่นวายไปหมดนะ แต่ถ้าบอกว่าโอ้นี่พระเจ้าชาติศัตรูข่าพ่อนะฟังเข้าใจทันทีเลยนะนายช่างแก้วข่าพระอรหันตนะ์นั่งนี่ก็ฟังเข้าใจเลยหรือว่าโอ้นี่นะพระเทวทัศธรรมโลหิตตุบาทนะพระเทวทัศธรรมสังเกตรู้เรื่องไปเลยนะครับอันนี้ถ้าใช้สมมุติก็เข้าใจไปเลยแต่ว่าโอ้ขันทธาตุยตนาะตัวหนึ่งนะโทสะบวกริษยาเกิดขึ้นมีรูปารมณ์ ไปริศยากับขันอายตนะอนโนนเข้านะครับตอนหลังก็มาโอ้โหธรรมจีวิญญัติเปล่งวาจาเป็นเสียงออกมาสูงสูงกับต่ำนะครับเป็นคลิกระว่าเราฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าอะไรกันอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเพื่อให้รู้ถึงเรื่องของอนันตฤกตธรรมนะครับ แม้เมื่อกล่าวว่าขันธาตุอายตนะย่อมมีเมตตาเนี่นะครับโอ้ยขันคนนั้นเขามีเมตตานะะอายตนะโน้นมีเมตตานะธาตุนั้นมีเมตตานะธ า, นะ า, า, าตุไหน่ะธาตุเหล็กหรือเป่าหรือธาตุไหนฟังแล้วแต่ถ้าบอกว่าโอ้พระรูปนั้นเนี่ยมีเมตตามากนะนนท่านจะรับอาหารใครก่อนเนี่ยท่านจะเจริญเมตตาก่อนแล้วท่านค่อยรับอาหารเขาเขาจะได้มีผลมากเมีน่นิสงมานี้เข้าใจเลยนะครับหรือว่าเมตตานั้นก็มีสัตว์เป็นอารมณ์อยู่แล้วด้วยนะครับ แม้เมื่อกล่าวว่าขันธาตุอายตนะย่อมระลึกถึงปุเพนิวัฒนเนี่ยครับเคยระลึกชาติได้เนี่ยนะขันธาตุอายตนะชนิดหนึ่งนั่งใต้ควงต้นโพแล้วก็ระลึกถึงขันธาตุอายตนะที่เป็นอดีตอย่างเงนะี้ยนะบุญวายแต่บอกว่าพระองค์บอกเราตถาคตเนี่ยย่อมระลึกชาติได้เป็นอันมากเนี่ยฟังแล้วเข้าใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสปุคคลกระถาเพื่อแสดงความเพียรนะครับที่บอกว่ า, วาความเพียรในนี้หมายถึงอะไรครับ ว่าการกระทาเฉพาะบรุษอ่ะนะเช่นสร้างวัดสร้างวาเป็นต้นเนี่ยนะเป็นผลงานของใครของใครอ่ะนะจะได้รู้ชัดเจนหรือเพื่อแสดงอนันตริยกรรมนะครับ น, นะถ้าหากว่าเอาภาษาปรมาจา์ขันธ์อิจตนะมาพูดจะมีพ่อมีแม่ไหมครับ ภาษาปรมามัดไม่มีนะครับไม่มีพ่อมีแม่ไ ป, ไป ม, ามาพระพุทธเจ้าจะมีหรือเปล่าไม่ทราบนะถ้าเอาสภาวคำปรมามัดมาพูดีเียวนะครับมัมีแต่ขันธ์ธาตุยุตนะอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโรคชนิดนี้แก้ไขา ย, ยากนะครับโรคปรมามัดขึ้นสมองเกินไปเนี่ยนะครับพระฤทฐ า, านี้ก็ ตรงในเรื่องปรมามัดนี่นะครับโอ้ยพระอริยาสาวกเป็นโสดาบันเนี่ยนะก็จับเครื่องราดกับจับสตรีมัมนจะไปต่างอะไรโดยปรมามัดมันก็เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไว้เหมือนกันน่นแหละไ ป, ไปมาป ร, ราชิกก็ไม่มีโทษผิดลูกผิดเมียก็ไม่เป็นไรนะครับมีแต่ขันธาตุยตนะนะแล้วก็ฟังแล้วก็วุ่นวายนะครับภรลิธานนี้ด้วยําน้ามิจฉาทิฏฐิครับแล้วก็คัดค้านพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าป ร, ราชิกนี่เป็นอันตรายยกระทำท่านบอกว่าไม่เป็น นะครับคือไม่รู้ไม่ฉลาดในภาพวินัยบัญญัติอ่ะนะก็เนื่องจากรู้แต่ประมาจาอย่างเดียวนะครับไม่ฉลาดในนี่หนักๆเข้าก็กล่าวจ่วงจาบโวหารแล้วก็แก้ไขไม่ได้นะครับกล่าวตูพุทธพจน์ ด, ด, ด้วยพระองค์ตรัสว่ามีโทษไปว่าไม่มีโทษอย่างเงี้ยนะครับนั้นโทษก็เกิดขึ้นนี้ต่อไปนะครับว่ า, เ, าเมื่อกล่าวว่าขันทาตายตนะรับทานเนีนะ โอ้ขันนะรูปประขันงามมากเลยนะสีปณะนีตเหมืงนั้นเถอะเวทนาขันก็เป็นอัพยากระตะไงนะสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็เป็นอัพยากระตะทำจิตตรูปเดินมารับทานฟังเข้าใจยากนะมหาชนก็ไม่รู้ก็ลุ่มหลงกันี่ทะเลาะกันบางคนก็เป็นประปักว่านี่อะไรการขันธาตุอายตนะมารับทาน แต่เมื่อกล่าวว่าบุคคลทั้งหลายย่อมรับทานอย่างนี้นะเช่นพระประเจกมารับทานพระพุทธเจ้ามารับทานภาษาได้บทพระโมคคัลลานะหรือว่าให้ทานกับใครกับใครในฟังและรู้เรื่องไปทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสบุคคลลถาเพื่อแสดงถึงทักษินาวิสุทธิเช่นว่าเออการให้ทานนี่นะผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับไม่บริสุทธิ์ผู้ฝ่ายผู้ให้นี้ บ, บ, บริสุทธิ์ ites, ผู้รับไม่บริสุทธิ์ผู้รับไม่บริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์ยังไงหรือว่าไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายหรือว่าบริสุทธิ์ทั้งสฝ่ายย่งเงนะฟังแล้วก็จะเข้าใจทันทีแล้วก็มาแบ่งเออแบบนี้เนี่ยนะมีผลแตกต่างกันอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะเข้าใจชัดเจนเลยแต่บอกว่าขันท่าอริยตนะนี่โอ้โหอันนี้ผลไม่มากนะขันท่าอริยตนะนี้มีผลมากฟังแล้วก็โอ้โหหนักใจเหมือนกันนะครับหรือไม่พูดศาสนาน่าจะเผยแพร่ไม่ได้แน่นอนนะครับ อันหนึพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วไม่ทรงละโล ก, กสมมตินะครับทรงตั้งอยู่ในความงดงามของโลกพร้อมแสดงธรรมะตามสมัญญาของโลกเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสบุคลาคตาเพื่อไม่ทรงละโล ก, กสมมตินะครับเชื่อไหมครับว่าแม้แต่แสดงวิปัสนาอยู่พระองค์ก็อุปมาเป็นสมมุติคถานี่เยอะนะครับเช่นว่ารูปขั้นเห็นเหมือนฟองน้ําเวทนาขันเหมือน ตอมน้ำสัญญาขันเหมือนพยพับแดดสังขารขันเหมือนต้นกล้วยวิญญาณขันเหมือนมายากลเนี่ยนะครับนี่วิปัสสนาอยู่ดีๆนะพระ อ, องค์ยังเปรียบเทียบให้เห็นโดยสมมุติสัจจะนะครับหรือว่าพระ อ, องค์ตรัสอุปมาว่ามหาภูติรูปเหมือนอสารพิษนะอายตนะภายในเหมือนบ้านร้างอายตนะภายนอกเหมือนกับโจรปล้นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอุปมาว่าโอ้ใน สกายะเนี่ยนะครับฝั่งนี้เนี่ยนะภูมิสามเนี่ยเป็นเหยื่อของมารถ้าฝั่งโน้นคือ น, นิพพานเนี่ยนะไม่เป็นเหยื่อของมารเป็นต้นเนี่ยพวกก็อุ ป, ปมาอุปไมยให้เห็นชัดเจนแม้แต่ตรัสวิปัญนาอยู่นะครับก็ยังแสดงแม้กระทั่งสมมุติสัจจะคละเคล้ากันไปนะครับนะมูขมหาชนฟังธรรมแล้วก็บรรลุเลยก็มีเยอะแยะไปนะครับเห็นไหมแม้บางสูตรก็อย่างพันนันทกะนี่ก็แสดงอุปมาแม้กระทั่งเอาวัวมาช่ำแหละนะครับ แม้ในสติปัฏฐานสูตรก็ก็แสดงสมมุติคาถาเนี่ยนะครับสลับกันไปแสดงควบคู่กันไปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่สติปัฏฐานสูตรที่เรียกว่าวิปัสนาทั้งหลายก็ยังมีสมมุติกาถาเนี่ยคละเคล้ากันไปนะครับพระองค์ก็ไม่ได้เลยทงใช้แต่ปรมามัดอย่างเดียวอะไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ควรเข้าใจทั้งสองอย่างไม่ควรจะยึดติดอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกินไปว่าต้องปรมามัตดเท่านั้นหรือต้องสมมุติเท่านั้นนะครับเราในฐานะเป็นสาวก พระผู้มีพระภาคทรงแสดงยังไงก็ควรกล่าวตามแล้วก็พิจารณาตามอย่างเดียวนะครับถ้าหากว่าเราบอกว่าเอ๊ะนี่แสดงอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่สมบูรณ์พูดอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มั่นใจในวิธีการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงว่าเราไม่ยอมรับวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นทุกข์ได้จริงสิเราจึงกล้าคัดค้านหรือนึกตำหนรึกหรือดูหมิ่นเป็นต้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านั้นมีโทษนะนะครับเหมือนกับว่าพระองค์ตรัส นะสวากขาโตพระควาตาธรรมโมพระธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสตีแล้วเราไปบอกว่าไม่ดีไม่พอถามว่ามีโทษไหมครับมันก็มีอยู่แล้วแต่ทีนี้โทษเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้ามันให้ผลมันเล่าร้อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรนะครับเราในฐานะเป็นสาวกเนี่ยนะพระองค์ตรัสยังไงก็ควรกล่าวตามเช่นนั้นนะครับอย่าไปคัดค้านกับพระองค์เลยถ้าหากว่าไปคัดค้านเป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อทุกโทษนะครับผู้ที่กล่าวคัดค้านแหะมีโทษพระองค์ไม่มีโทษแล้วพระองค์พ้นจากทุกโทษหมดแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแม้ในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเมื่อจะแสดงอัตที่ควรแสดงด้วยโลกะกโวหารคือสมมุติเนี่ยนะครับจึงตรัสว่าเอกะปุขละ ส, สะดังนี้นะครับก็คือถามว่าบุคคลที่ว่านี่คือใครบอกว่าบุคคลเนี่ยนะเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะครับกับเดียวนี่นะกองกระดูกเนี่ยกองโตกว่าเข า, เ, าเวปุระบันพจน์นั่นแหละครับ นะในพระสูตรนี้มีอธิบายว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายเมื่อสัตว์หนึ่งแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดมหากับหนึ่งโดยเกิดแล้วเกิดอีกด้วยกรรมมรกิเลสกองกระดูกใหญ่จะพึงมีอย่างนี้ขนาดภูเขาเวปุระบันพศโดยส่วนสูงและส่วนกว้างก็ผิว่าใครๆจะพึงรวบรวมกองไว้และถาว่าส่วนแห่งกระดูกนั้นเนี่ยอันใครๆนาไปแล้วจะไม่พึงชิบหาย ยังคงตั้งอยู่นะครับก็ในยะนี้ท่านกล่าวเว้นอัตภาพที่เป็นโอปปาติกะนะครับเพราะฉะนั้นพวกโอกปปาติกะไม่พูดถึงพวกกระดูกสลายนะครับหรือปราศจากการทอดทิ้งกะเลวระอันมีสภาพทําลายไปดุดประทีปที่ดับแล้วและอัตภาพเล็กๆซึ่งไม่มีกระดูกเป็นชิ้นเป็นอันนี้เอาเฉพาะสัตว์ที่เป็นมีกระดูกอย่างเดียวนะครับมีกระดูกแล้วกระดูกที่สามารถตั้งอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นไอสัตว์ที่ไม่มีกระดูกเป็นต้นก็ไม่ไม่พูดถึงนะครับ โหนี่มหาศาละกลกับหนเท่านั้นนะครับอธิบายในคาถาว่ามเหสีนาความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่เพราะค้นหาสแสวงหาคุณมีศีลขันเป็นต้นอันใหญ่นะครับพระพุทธเจ้าอันนี้อีกชื่อหนึ่งว่ามเหสีนาครับผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เนี่ยนะ คือสแสวงหาศีลขันธ์อันใหญ่นะครับใหญ่แค่ไหนครับใหญ่ระดับอรหัตตมรักเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตญาณเน่ยนะครับแม้กระทั่งพระ อ, องค์บรรลุแล้วก็ยังเรียกว่าเหฮสินานะครับถึงบรรลุแล้วแต่พอพระ อ, องค์บรรลุแล้วก็สแสวงหาศีลขันธ์เป็นต้นให้แก่สัตว์ทั้งหลายนี่ยแหละครับว่าทำไงเนาอสัตว์ทั้งหลายจากได้เจริญด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติยานัศนะแล้วสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นได้นะ พระองค์ก็สแสวงหาคุณทั้งหลายให้แก่สัตว์ทั้งหลายนั่นนะครับบทว่าเวปุโลความว่าภูเขาที่ได้เชื่อว่าเวปุระเพราะภูเขาห้าลูกตั้งล้อมกรุงราชครกอย่างไพ่บุญนะภูเขาที่ล้อมเมืองราชครศเนี่ยนะครับภูเขานั้นแหละครับชื่อว่าเพกภูเขาเวปุระบอกงั้นเถอะทั้งเทือกเลยนะครับเรียกว่าเวปุระบรนพศนะครับก็เหมือนกับเทือกเขาโดอยอินทนนท์โดอยอะไรเนี่ยนะเทือกเหลน่นี้ทั้นั้น ยอดแต่ละยอดก็มีคนละชื่อคละชื่อแต่ทั้งเทือกก็ชื่อว่าเวปุระบรรพศนะครับเพราะฉะนั้นกระดูกเนี่ยกองโตขนาดนั้นแหละครับด้วยข้อความเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงถึงโทษในวัตตะว่าปุตุชนผู้มีความไม่กําหนดรู้เป็นพื้นฐานคือปุตุชนที่ไม่ทําปริญญาในทุกขสัตว์เนี่ยนะครับยังตัดรากของภพไม่ขาดนะคื อ, อยังไม่กําหนดรู้ทุกขสัตว์ไม่ละทุกขสมุทัยเนี่ยนะ โดยการเพียงนี้เช่นนี้นี่แลเป็นความรกของป่าชานะครับเนี่ยนะถ้าพวกเราทั้งหลายมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนะไม่ทําปริญญาเลยมีเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณไม่ทําปริญญาเลยยังเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ตันหาก็พอกพูนเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยนะครับกระดูกนี่มันโกงโตกว่าภูเขาเทือกเขานั่นเองนะครับ บัดนี้เมื่อจะแสดงว่าปุถุชนผู้โง่ขเขลาผู้ไม่เข้าใจหรือไม่รู้อริยศาสตร์เหล่าใดเป็นผู้รกในป่าช้าอย่างนี้พระอริยบุคคลผู้เห็นอริยาศาสตร์เหล่านั้นจึงเป็นผู้ไม่รกในป่าช้านะครับพระอริยนี้ไม่ทำให้ป่าช้ารกว่างั้นเถอะคืออีกแค่เจะนะอีกแค่โครงกระดูกอีกแค่7โคงว่างั้นนะนะแต่ปุถุชนนี่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับป่าช้านี่มันรก เราคิดดูนะครับเนื้อเลือดที่มีอยู่ในร่างกายเราไม่รู้เนื้อเลือดของใครมานะครับมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไใปนี่แหละครับจึงตรัาเมียที่ว่ายะโตจะอริยสัจจานิดังนี้ในบทเหล่านั้นบทว่ายะโตแปลว่าเมื่อใดบทว่าอริยสัจจานิได้แก่ชื่อว่าอริยะเพราะความหมดทุกข์และชื่อว่าสัจจะเพราะความเป็นของจริงอริยะนี้ไม่มีทุกข์แล้วนะครับคําว่าทุกข์นี่คือทุกข์ที่นําปฏิสนธิเป็นต้ น, นนะ่ะนะสัจจะก็เป็นของจริงของแท้ เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอริยสัตว์หรือสัจจะทำความเป็นอริยะชื่อว่าอริยสัตว์หมายค่ะว่าสัจจะสีประการนี้เท่านั้นนะครับจึงจะทําให้เป็นอริยะได้นะถ้าไม่มีสัจจะสีประการก็ทําให้เป็นพระอริยะไม่ได้หรือสัจจะอันพระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพึงแทงตลอดเลยชื่อว่าอริยสัตว์นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระอริยะทั้งหลายมาตรัสรู้สิ่งเหล่านี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งสัจจะของพระอริยะชื่อว่าสัจจะหมายถึงสัจจะของพระพุทธเจ้านะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าอริยะเพราะเป็นที่พึ่งไม่เป็นข้าศึกของโลกพร้อมด้วยเทวโลกชื่อว่าสัจจะของพระอริยะนั้นเพราะเห็นด้วยสยามภูญานฉะนั้นจึงชื่อว่าอริยสัจหมายถึงสัจจะ ข, ของพระพุทธเจ้านะไม่มีใครมาแทงตลอดด้วยตัวเองเหรอครับแล้วมาแนะนําสั่งสอนคนอื่นได้นอกจากพระ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์นี้แทงตลอดด้วยมัคคปัญญานะครับคําว่าสัมมาปัญญายาปสติได้แก่ย่อมเห็นด้วยมัคคปัญญาอริยสัจนี่นะครับจะต้องแทงตลอดชั้นสูงเลยในขณะอริยมรรคอันเป็นไปด้วยกับวิปัสนาปัญญาโดยชอบโดยเหตุโดยความรู้ถามว่ารู้ยังไงครับบางอย่างรู้ด้วยปริญญาคือการรอบรู้นะครับ คือทุกขสัตว์เนี่ยด้วยปริญญากิจสมุทัยนี่ก็ด้วยประหานานะครับด้วยการละนิโรธก็ด้วยการทําให้แจ้งอริยมรรคก็ด้วยการเจริญนะครับพันิพานก็ด้วยการถัดสรุหรือทําให้แจ้งนั่นเองนะครับในบทว่าทุกขังเป็นต้นแสดงสรุปของอริยสัตว์นะครับทุกนั้นชื่อว่าทุกเพราะความเป็นของหน้ารังเกียจนะทุกขาริยสัต์เนี่ยนะ เพราะว่าโดยเป็นที่รวมอันตรายหลายอย่างนะครับอันตรายภายนอกอันตรายภายในเยอะแยะนะและเพราะความว่างเปล่าจากความสุขความยั่งยืนความสดชื่นที่พวกชนพานไม้มั่นเอาไว้หนักหนาไนะม้มั่นวังงามเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะทุกข์ขัดเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่คนพานไม้มั่นไว้รอกความเกิดแห่งทุกข์ชื่อว่าทุกขขสมุทัยเพราะเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ นิพพานนี้ชื่อว่าเป็นธรรมะที่9้าล่วงแห่งความดับทุกข์เพราะเป็นเหตุล่วงไปแห่งทุกข์หรือเป็นที่9้าล่วงทุกข์อันเป็นอารัมมณปัจจัยนะครับคือหมายถางว่าพ้นจากทุกข์ทั้งหมดเลยนะครับชื่อว่าอริยะเพราะไกลาจากกิเลสทั้งหลายเพราะหมดความทุกข์อริยมรตมีองค์8ด้วยสามารถแห่งองค์มรตแปมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น เชื่อว่ามักเพราะฆ่ากิเลสให้สิ้นไปหรือเพราะผู้ต้องการนิพพานย่อมสแสวงหาหรือเพราะสแสวงหานิพพานเองนะครับลังแกะดูนะอริยมักเนี่ยแปลว่าฆ่ากิเลสนะครับหรือหมายความว่าผู้ต้องการนิพพานเนี่ยต้องสแสวงหามักนะหรือว่าอริยมักเนี่ยเป็นสภาวะที่สแสวงหานิพพานเองนะครับนี่คือขยายคําว่ามั ก, ก น, นะนะ บทว่าสัตตคตุงประมังสรรธาวิตตวานะปุคโลว่า ง, งั้นพระอริยะบุคคลผู้โสดาบันมีอินทรีย์อ่อนกว่าเขาทั้งหมดนะครับเห็นอริยสัตว์4นั้นท่องเที่ยวไปคือเล่นไปด้วยการเกิดติดต่อกันในพบเป็นต้นเนี่ยนะครับเจครั้งเป็นอย่างยิ่งไม่เกินนี้ครับไม่เกินเจ เ, เนี่ยนะครับอะพระโสดาบันจริงๆแล้วมี3มประเภทนะครับคือเอกับพชีหมายคาอว่ามาเกิดในมนุษย์เนี่ยครั้งเดียวเรียกเอกับพชี ผู้ที่มาเกิดไม่เกินสองสามชาติเรียกว่าโกลังโกระนะครับหรือว่าผู้ที่มาเกิดอีกไม่เกิน7ดครั้งเรียกว่าสัตตคัตุประมะนะครับโดยความที่มีอินทรีย์แก่กล้าปานกลางและอ่อนถ้าหากว่าอินทรีย์แก่กล้าก็มาเกิดอีกไม่นานก็จะตรัสรู้ถ้าอินทรีย์อ่อนลงมาก็ตามสมควรนะครับแต่ว่าในสูตรนี้หมายเอาพระโสดาบันประเภทสัตตคัตุประมะนะครับมีพบเป็นที่เจ เป็นอย่างยิ่งนะครับบทว่าทุกขาาสะสนตะกระโหเติความว่าเป็นผู้ทาที่สุดคือทาเป็นครั้งสุดท้ายแห่งว่าจะทุกได้ถามว่าอย่างไรตอบว่าเพราะสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปอธิบายว่าเพราะบรรลุมักอันเลิศโดยลําดับแล้วสังโยชน์สิ้นไปโดยไม่มีเหลือเลยเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้พระองค์ตัดเอายอดแห่งเทศนาด้วยอรหัตผลนั่นแล นะครับในเวปุละปันตธะธสูตรที่สี่ก็จบด้วยประการชนนี้นะครับ